ปรินิพุโตปรินิพานแล้วดังนั้นจึงตั้งรูปวิเคราะห์คือคาจากัดความของคาว่านิพานดังนี้ 1. ทุกในวัดตะย่อมดับไปในสภาวะนี้เหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่านิพานคือสภาวะเป็นที่ดับทุกสอทุกในวัตตะย่อมดับไปเมื่อบุคคลบรรลุสภาวะนี้เหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่านิพาน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 3. ความหลุดพ้นจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกเหตุปัจจัยกระทาถูกปรุงแต่งนี้จะไม่พึงปรากฏสี 4. ดูก ร, รบพิสุ์ทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นไม่ถูกเหตุปัจจัยกระทาไม่ถูกปรุงแต่งมีอยู่ห้าดังนั้นความหลุดจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีขึ้น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 ได้คลายเครื่องผูกคือตันหาปราศจากความพัวพันในตันหาดังนั้นนิพพานที่ดับสังขารอันเป็นอารมณ์ของมรรคยานสี่จึงเป็นสภาวะดับตันหาสละตันหาปล่อยวางตันหาพ้นไปจากตันหาและไม่มีความพัวพันในตันหาดังพระพุทธดำรัสว่า 1. ดูกราภิกสุทั้งหลาย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 โดยเหตุที่นิพพานเป็นการวิมุตตดังนั้นจึงไม่ควรสงสัยว่าพระอริยะรับรู้การดับกิเลสอนาคตในขณะบรรลุโคตรภปูญานรับรู้การดับกิเลสปัจจุบันหรือรับรู้การดับอนาคตในขณะบรรลุมัคคยานในคำพีอิติอุตตกะกล่าวถึงเรื่องนิพพานว่าหนึ่งดูกระรพิสุทั้งหลาย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 ที่เป็นเหตุเป็นปรมัตาส่วนนิพพานที่เป็นผลเป็นบัญญัติไม่มีลักษณะสงบอีกทั้งยังขัดแยง้งกับข้อความในคัมภีอภิธรร ม, มัทธสังคหะว่านิพพานนั้นมีสภาพเป็นอย่างเดียวแต่ก็จาแนกเป็นสองอย่างตามปริยายแห่งเหตุคือสอุปาทิเศตนิพพานธาตุความดับที่มีขันเหลืออยู่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 นัที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของจักรสุและสัญญาในรูป 3. หูและสัญญาในเสียงดับนัที่ใดบุคคลพึงรู้ชัดปัดจจัยนั้นคือที่ดับของหูและสัญญาในเสียง 4. ี่จมูกและสัญญาในกลิ่นดับนัที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้น คือที่ดับของจมูกและสัญญาในกลิ่นห้าลิ้นและสัญญาในรสดับนาที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของลิ้นและสัญญาในรสหกายและสัญญาในการกระทบสัมผัสดับนาที่ใ <glam> ดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของกายและสัญญาในการกระทบสัมผัสเจ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 พระอ น, นุนจึงกล่าวสรุปความพระสูตรนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระพุทธวัจนะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพาสิทธหมายเอาความดับแห่งอายตนะภายในและภายนอก6แม้คัมภีอธกถาของพระสูตรนั้นก็อธิบายเรื่องนี้ว่าหนึ่งนิพพานได้ชื่อว่าความดับอายตนะภายในและภายนอกหก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 หมายความว่าพึงรู้แจ้งด้วยมัรคยานข้อความว่าไม่มีขอบเขตหมายความว่าไม่มีขอบเขตคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพระดำรัสว่าสัพพโตปบพังมีความหมายสามประการพบในคำพีอัตถกถาว่ามีท่าน้ารอบด้านคือมีท่าน้าเพื่อลงเรือเหมือนมหาสมุทรที่มีท่าน้ารอบด้าน